รักษาส่วนที่สำคัญที่สุดของชีวิตนั่นก็คือจิตใจเรามีสองส่วนด้วยกันคือมีร่างกายและมีจิตใจแล้วก็มีส่วนที่สามที่แถมมาด้วยก็คือกิเลสทันหาความโลภความอยากต่างๆที่เรา จะต้องคอยดูแลถ้าเราไม่รู้ว่าส่วนไหนสำคัญส่วนไหนไม่สำคัญส่วนไหนเป็นคุณเป็นประโยชน์ส่วนไหนเป็นโทษเราก็จะหลงไปทำดูแลส่วนที่เป็นโทษไม่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเรา ส่วนที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เราจะไม่ค่อยได้ดูแลกันเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญส่วนที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราก็คือใจหรือจิตใจที่มีทั้งความสุขและความทุกข์ที่มีพลานุภาพมากกว่า ความสุขและความทุกข์ของทางร่างกายพวกเรารู้กันว่าเรามีร่างกายและเราจาเป็นจะต้องดูแลร่างกายของเราเพื่อให้อยู่ไปได้ด้วยการหาปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยมาคอยดูแลซึ่งเวลาของเราส่วนใหญ่ ก็จะหมดไปกับการดูแลร่างกายซึ่งเป็นส่วนที่ไม่สำคัญเท่ากับจิตใจเนื่องจากร่างกายนี้มีขอบเขตคือมีวาระของเขามีเกิดมีแก่มีเจ็บและมีตายอยู่ในกรอบของเวลาประมาณ 80-100 ถึงปี ไม่ว่าจะทำให้ดีอย่างไรเพียงไรก็ทำไม่ได้ดีไปกว่าความจริงของร่างกายคือจะไม่สามารถที่จะต่ออายุให้ยาวไปกว่าที่อยากจะให้เป็นไปได้ไม่สามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้เกิดขึ้นได้ไม่สามารถป้องกันความชรา ให้เกิดขึ้นได้เพราะนี่เป็นธรรมชาติของร่างกายที่มีเกิดย่อมมีแก่มีเจ็บและมีตายเป็นธรรมดาดังนั้นการดูแลรักษาร่างกายดีดีจนเกินไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงแต่อย่างใดพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้รู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่ คือให้พอดีกับความต้องการของร่างกายไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปเช่นอาหารก็รับประทานพอกับความต้องการของร่างกายอย่ารับประทานไปตามความอยากในรสในกลิ่นในรูปของอาหารเพราะจะทำให้รับประทานอาหารมากจนเกินไปแล้วก็จะ กลับมาเป็นโทษแก่ร่างกายคือแทนที่ร่างกายจะอยู่อย่างไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บหรือมีน้อยและอยู่ไปยาวนาน <c oughs> ก็จะต้องมีโรคภัยต่างๆมาเบียดเบียนและมีอายุที่สั้นลงไปโดยเฉพาะถ้าเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัยต่อร่างกายเข้ามามากเกินไป เช่นสุราหรือควันบุหรี่ถ้าสูบบุหรี่มากๆากดื่มสุรามากๆ ก, ก, ก็จะเพิ่มอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจของการเป็นโรคมะเร็งและเพิ่มทำให้ชีวิตหรืออายุนี้สั้นลงไปหรือแม้แต่สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ถ้ารับประทานมากเกินเกินไปก็จะทำให้เกิดโรคได้เช่นเดียวกัน เช่นรับประทานของหวานหวานของมันๆของเค็มๆนี้มากเกินไปก็จะทําให้ร่างกายชํารุดทุดโทรได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้รู้จักประมาณให้รับประทานพอพอต่อความต้องการของร่างกายและไม่ควรที่จะยึดติดในรูปในรสเอาเอาพอประมาณไม่หวานเกินไปไม่เค็มเกินไป ไม่มันเกินไปเอาไปแบบกลางๆดีที่สุดไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปแล้วร่างกายก็จะอยู่ได้อย่างปกติสุขแล้วก็ไม่ต้องเป็นอาหารที่มีราคาแพงๆมากเกินไปหรืออาหารที่ถูกเกินไปต้องให้พอดีพอพอกับความต้องการอาหารถูกบางครั้งก็อาจจะไม่สะอาด หรือไม่มีสารอาหารที่ร่างกายต้องการอาหารแพงก็จะมีมากเกินไปเกินความจาเป็นของร่างกายไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลารับประทานอาหารพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุพิจารณาปฏิสังขารโยคือให้พิจารณาถึงเหตุผลของการรับประทานอาหารว่า รับประทานเพื่ออะไรก็รับประทานเพื่อรักษาร่างกายให้อยู่ไปได้ในวันหนึ่ ง, ป, งป้องกันความหิวไม่ให้เกิดขึ้นมาเร็วเกินไปและดับความหิวที่เกิดขึ้นนี้ให้หายไปดังนั้นวนการรับประทานอาหารเราก็เล็งไปที่เหตุผลอันนี้ อาหารอันใดที่ทําหน้าที่นี้ได้ก็ใช้ได้ไม่จ้องกังวลว่าจะต้องเป็นอาหารที่มีราคาแพงแพรรับประทานตามร้านที่มีเครื่องประดับมีเครื่องปรับอากาศไว้คอยบริการเพราะนี่ไม่ได้รับประทานเพื่อร่างกายแต่รับประทานเพื่อกิเลสตัณหา เลสตัณหานี่ชอบความหรูหราชอบความฟุ้งเฟ้อชอบความฟุ่มเฟือยซึ่งไม่ได้เป็นส่วนที่สําคัญต่อร่างกายเลยร่างกายเพียงต้องการอาหารสะอาดสุขที่ถูกสุขลักษณะถูกอนามัยรับประทานแต่แล้วเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย ไม่ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นท้องเสียอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนี่คือตัวอย่างของการดูแลร่างกายตามความเหมาะสมตามความจำเป็นของร่างกายเพราะเหตุนใดเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากจนเกินไปกับการดูแลร่างกายที่จะต้องแก่ที่จะต้องเจ็บที่จะต้องตายไปในที่สุด ท่านบอกว่าให้เราหาเวลามาดูแลจิตใจของเราดีกว่าเพราะจิตใจของเรานี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายแต่ตอนนี้ยังทุกข์อยู่ทุกข์เพราะความหลงถูกความหลงหลอกให้ไปเสียเวลากับการดูแลรักษาร่างกายมากจนเกินไปและไปดูแลรับใช้กิเลสตัณหา ความโลภความอยากในสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นความโลภความอยากในลาภยศสารเสริญและความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลถพะความสุขทางตาหูจมูกรินกายตารที่เราใช้เวลาหมดไปกับการแสวงหาสิ่งเหล่านี้ เป็นการเสียเวลาไปเปล่าๆเพราะว่าไม่ได้เป็นการกระทำที่จะมาตัดหรือดับความทุกข์ให้เบาบางลงไปและหมดไปแต่กลับจะเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปภายในจิตใจไม่มีวันสิ้นสุดเพราะความอยากนี้ไม่มีกรอบ ไม่มีขอบเขตนั่นเองไม่ว่าจะได้มามากน้อยเพียงใดก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าน้าในมหาสมุทรมหาสมุทรนี้ถึงแม้ว่าจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามก็ยังมีขอบมีฝัง่งแต่ความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีฝัง่งต่อให้มาได้มา มากน้อยเพียงลยก็จะไม่มีคาว่าพอมีแต่อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยเอยมื่อเกิดความอยากก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาภายในใจเกิดความวุ่นวายเกิดความว้าวุ่นขุนบัวเกิดความกังวลเกิดความกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะ วังว่าจะได้สิ่งที่อยากได้หรือไม่แล้วถ้าได้มาก็จะเพิ่มภาระต่อจิตใจเพราะต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยวิตกกังวลและก็ต้องคอยมาเสียใจต่อไปเวลาที่สูญเสียสิ่งที่ได้มาคือลาบยศสรรเสริญและความสุข ทางตาหูจมูกนิ้งกาย น, นี่เป็นสิ่งที่คนฉลาดจะไม่แสวงหากันพระพุทธเจ้าของเราเป็นคนฉลาดท่านเคยมีลาบยศสรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายในระดับของกษัตริย์คือทรงเป็นพระราชาอรสแต่พระองค์ทรง พิจารณาด้วยปัญญาทรงเห็นว่าไม่ได้ทำให้จิตใจหรือพระไทยของพระองค์นี้สงบเย็นสบายเลยกับมีความไม่ตกกังวลมีความหิวความต้องการอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดพระองค์จึงทรงตัดสินพระไทยสละพระราชสมบัติเพื่อออกไป ดูแลรักษาจิตใจคือพระไทยของพระ อ, องค์ด้วยการบำเพ็ญสมณาธรรมอยู่แบบนัก บ, บวชรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาชำละต่อสู้กับกิเลสตัณหาตัวที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ความกวนกวายความกระสับก ร, าาก ร, กรสาย ความว่าวุ่นขุนนัวให้แก่จิตใจจนหมดจากพระทัยของพระองค์ไปได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่สามารถชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากพระทัยของพระองค์ได้ด้วยพระองค์เองคือโดยไม่มีผู้อื่นมาสั่งสอน เนื่องจากว่าไม่มีใครรู้วิธีนั่นเองพระ อ, องค์ทรงพยายามศึกษากับผู้รู้อาจารย์ผู้อื่นมาก่อนหลายรูปแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะทรงที่จะสอนให้พระ อ, องค์สามารถกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้เพียงแต่สอนให้กดไว้ได้ทำให้มันสงบระงับ ชั่วคราวได้ก็คือการทำสมาธินี่เองถ้าทำใจให้สงบได้กิเลสตัณหาความอยากก็จะสงบตัวลงไปชั่วคราวตอนนั้นจิตใจก็จะมีความสุขเหมือนเป็นเหมือนได้บรรลุถึงพระนิพพานแต่เป็นความสุขชั่วคราวเนื่องจากกิเลสตัณหาไม่ได้ตายไป จากอัินาจของสมาธินี้เองพอออกจากสมาธิมากิเลสตัณหาก็จะตามออกมาพอเห็นรูปเสียงกลิก่นรสผดพะก็เกิดความอยากเช่นนั่งสมาธิพอออกมาเดี๋ยวเห็นตู้เย็นก็นึกถึงของที่อยู่ในตู้เย็นอยากจะดื่มอยากจะรับประทานแล้ว ทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ใช่เวลาที่จะต้องรับประทานแต่ความอยากนี้เมื่อเริ่มคิดแล้วก็จะเกิดความอยากตามมาทันทีดังนั้นการที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปได้ต้องใช้ปัญญาเป็นขั้นที่สองขั้นแรกก็ใช้สมาธิกดเอาไว้ก่อนตัดกํำลัง ของกิเลสตัณหาก่อนพอาจากสมาธิแล้วพอกิเลสตัณหาเริ่มโผลออกมาเริ่มอยากดื่มเริ่มอยากรับประทานซึ่งยังไม่ใช่เวลาที่สมควรแก่การดื่มหรือการรับประทานก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปสกัดสอนว่าอย่าไปทำตามความอยากเพราะการทาตามความอยากนี้ เป็นการเสริมเสริมพลังของความอยากให้มีกำลังมากขึ้นและทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาในใจใจก็ความสงบสุขที่มีอยู่ภายในใจก็จะถูกทำลายไปทันทีไม่มีความสุขต้องใช้ปัญญาสอนว่าไม่ว่าจะได้สิ่งที่อยากมามากน้อยเพียงไรก็จะไม่ได้ให้ความสุข อย่างที่ได้จากการทําใจให้สงบไม่มีกิเลสตัณหาทํางานดังนั้นต้องสอนใจว่าอย่าไปทําตามตัณหากิเลสความโลภความอยากตา่ตางๆเพราะได้มาแล้วก็เท่านั้นเป็นเหมือนตัวเลขสมมติว่าได้เงินมาร้อยล้านมันก็ยังไม่พอก็ยังอยากเพิ่มขึ้นเป็น200ร้ล้าน300ร้อยล้าน ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีวันที่จะใช้ไปหมดได้แต่ความอยากนี้มันไม่ได้พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าปล่อยให้เป็นไปตามความอยากใจก็จะไม่สามารถตั้งอยู่ในความสงบได้เมื่อไม่สามารถตั้งอยู่ในความสงบได้ก็จะไม่มีความสุขถ้าไม่มีปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนอย่าง ในสมัยที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้มาสอนพระธรรมผู้ที่ปฏิบัติก็ต้องเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆเช่นพวกฤาษีชีพรยบางคนมีความสามารถก็บางทีเข้าสมาธิได้ทีละครละเจ็ดวัน15ห้าวันเพราะเขาต้องการความสุขแต่พอเขาออกมาความสุขนั้นก็จะหายไป เพราะกิเลสตัณหาความอยากต่างๆก็จะมาทําลายไปหมดเขาจึงต้องกลับเข้าไปสมาธิอยู่เรื่อยๆแต่เขาก็ทําได้เพียงเท่านี้เพียงแต่ระ ง, งับดับกิเลสตัณหาไว้ได้ชั่วคราวแต่ไม่สามารถทําลายให้หมดสิ้นไปได้ถ้ายังไม่สามารถทําลายกิเลสตัณหาให้หมดไปได้จากจิตจากใจ ตายไปแล้วก็ยังจะต้องไปเกิดใหม่อีกเช่นถ้าจิตได้รูปประชานก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นรูปประพรมรูปปรรูปประโลกเป็นรูปประพรมแต่กําลังของสมาธินี้ก็จะเสื่อมลงไปเทเล็กเทีเ ล, ทลน้อยหลังจากนั้นก็จะเสื่อมไปพอกําลังของสมาธิที่ทำให้จิตเป็นพรมนี้เสื่อมไป จิตก็จะอยากขึ้นมากิเลส ก, ก็จะออกมาเพ่นพ่านก็อยากจะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสตอนนั้นก็จะกลายเป็นเทพไปเพราะเทพนี้ก็เป็นพวกที่ยังต้องเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสอยู่แต่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสชนิดละเอียดที่เรียกว่าทิพเสียงทิปรูปทิปลิ่นทิพแล้วเมื่อเสดไปเรื่อยๆความอยากก็จะมีรุนแรงมากขึ้น ก็จะไม่พอใจกับรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์อยากจะได้สัมผัสกับรูปที่อยากกว่าเสียงที่อยากกว่าก็ต้องเลื่อนลงมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆที่ทุกคนนี้ไม่ต้องมีใครสอนเลยเกิดมานี้ทุกคนชอบอยากได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะงนั้น ถ้าให้อยู่บ้านเฉยๆไม่ให้ดูอะไรไม่ให้ฟังอะไรจะงดหงิดลำคาญใจว้าเวเศร้าส้อยงอยเหงาจะต้องดิ้นหาทางออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆเวลาที่ได้ออกไปเที่ยวนี้สังเกตดูจิตใจจะเบิก บ, บานแต่เวลากลับมาบ้านนี้รู้สึกจิตใจจะเศร้าส้อยงอยเหงานั่นก็เป็นเพราะว่า ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสที่เรียกว่ากามะทตันหานี่เองที่เป็นตัวทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาแต่สำหรับผู้ที่สามารถทำลายกิเลสตันหาได้แล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะไม่มีความรู้สึกทุกข์หรือเดือดร้อนเลยเพราะจิตมีความอิ่มมีความสุขมีความพอ เพราะไม่มีกิเลสตัณหามาก่อปวนมาสร้างความหิวความอยากความต้องการต่างๆนั่นเองดังนั้นถ้ายังไม่ได้มีปัญญาจิตก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างพระอาจารย์สองรูปของพระพุทธเจ้าที่ได้ตายไปก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาโปรดพระ อ, องค์ก็ทรงเสียพระทยัย เพราะว่าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้เพราะถ้าไปเกิดเป็นพรหมจิตก็จะไม่สามารถติดต่อกันได้สวรรค์ชั้นพรหมนี้จะเป็นสวรรค์ที่ไม่รับรู้กับใครทั้งนั้นถึงแม้จะเป็นจิตของพระพุทธเจ้า ก, ก็ไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้เหมือนกับผู้ที่ปิดโทรศัพท์มือถือผู้อื่นจะโทรเข้าเครื่องก็ไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้ แต่ถ้าเปิดเครื่องไว้นี้ก็ยังสามารถติดต่อกันได้เช่นจิตของพระพุทธมารดาที่หลังจากที่ตายไปแล้วหลังจากที่พระพุทธเจ้าประสูติได้เจ็ดวันก็ทรงเสด็จสวรรคตไปก็ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตหรือชันดาวเดืงนี้พระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงตัดจารุแล้วก็สามารถส่งกระแสจิตติดต่อกับ จิตของพระพุทธมารดาได้สามารถสนทนาธรรมกันได้อบรมสั่งสอนธรรมกันได้จนได้บรรลุเป็นพระอเลอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือได้เป็นพระโสดาบันอา น, นิสงส์ของการได้เป็นพระโสดาบันก็คือจะไม่ต้องกลับไปเกิดในอบายอีกต่อไปไม่ว่าจะเคยทำบาปมาหนักน้อยมากน้อยเพียงไรก็ตาม บารมีของพระโสดาบันบุญของพระโสดาบันนี้จะสามารถยับยั้งการไปเกิดในอบายได้และจะเหลือพพชาติที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากนี่คือเรื่องของจิตที่ได้รับการชำระกิเลสตัณหา ก็จะมีแต่พัฒนาขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าได้รับการชำระด้วยปัญญาถ้ามีปัญญาก็จะบรรลุอริยมรรคอริยผลได้คือตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งคือขั้นโสดาบันขึ้นไปสู่ขั้นที่สองคือขั้นสกิทาคามีขั้นที่สามคืออนาคามีและขั้นที่สก็คือขั้นของพระอาหารหันต์ จะต้องขึ้นด้วยปัญญาไม่สามารถขึ้นไปได้ด้วยสมาธิตามลำพังถ้าได้สมาธิก็จะขึ้นสู่ชั้นรูปโลกกับอรูปโลกคือชั้นรูปประพรมและอรูปประพ ม, แ, ะปปะมแต่จะต้องเสื่อมกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์และถ้าเคยทำบาปทากรรมไว้ก็ยังจะต้องไปใช้เวงใช้กรรมในอาบายอีกจะต้องกลับไปเกิด เป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างเพราะว่าไม่มีธรรมะคือปัญญาเป็นผู้คอยดึงเหนี่ยวรั้งไม่ให้ไปเกิดได้นั่นเองแต่สำหรับพระอริยเจ้าทุกๆขั้นนี้จะมีปัญญาที่จะสามารถหยุดจิตไม่ให้ไปเกิดในอบายได้เพราะจะไม่ทำบาปอีกต่อไป พระอริยบุคคลนี้จะรักษาศีล์ย่งกว่าชีวิตคือถ้าจะต้องอดตายก็ยินดีที่จะอดตายดีกว่าที่จะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเอามาเป็นอาหารเพื่อเอามาเลี้ยงดูตนเองจะอยู่แบบรักษาศีลอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ในศีลไปจนวันตาย ถ้าจะต้องตายก็จะไม่ป้องกันชีวิตของตนเองถ้าเช่นผู้อื่นจะมาฆ่าตนก็จะไม่ต่อสู้จะไม่ทำร้ายชีวิตของผู้อื่นแต่ถ้ามีปัญญาก็จะใช้ปัญญาสนทนากันอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสนทนากับคนที่จะมาฆ่าพระพุทธเจ้าที่พระเทวทัตทรงไปฆ่าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็คุยกับเขาแล้วก็อธิบายสอนเขาให้เห็นโทษของการฆ่าว่าไม่คุ้มกับเงินที่ได้มาไม่คุ้มกับค่าจ้างรางวัลที่ได้มาจากการฆ่าโดยเฉพาะถ้าฆ้าพราะพุทธเจ้านี้ตายไปจะต้องไปตกในนรกขุมที่ลึกที่สุดตกอยู่นานที่สุดเพราะว่าเป็นอนันตริยกรรมอนันตาริยกรรมก็คือกรรมที่หนักที่สุด มีอยู่ห้ประการอยู่ห้าข้อด้วยกันคือ1น้ฆ่าพระฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์พระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องฆ่าเพียงแต่ทาให้ห่อเลือดเท่านั้นแล้วก็ข้อที่หก็คือทำให้สงเกิดความแตกแยกเกิดความแตกสามขีการกระทาเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าเป็นการกระทำที่เป็นบาปที่หนักที่สุด อย่าต้องไปตกนรกเช่นพระเทวทัตผู้ที่พยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันจ้างคนมาฆ่าไม่สำเร็จก็ปล่อยช้างมาเพื่อหวังจะให้ช้างทำลายฆ่าพระพุทธเจ้าก็ไม่สาเร็จก็เลยขึ้นไปอยู่บนภูเขารอให้พระพุทธเจ้าเดินผ่านมาแล้วก็กลิ้งก้อนหินก้อนใหญ่ลงมาหวังให้ทับ พระพุทจาให้สิ้นพระชนก็ทำได้เพียงแต่ทำให้พระโลหิตห่อเลือดเท่านั้นเอง mm hmm. พอตายไปก็เลยต้องไปตกนรกก่อนทั้งๆ ท, ที่ได้ทำบุญมากได้มาบวชเป็นพระอยู่หลายปีด้วยกันแต่ต้องไปใช้กรรมที่หนักนี้ไว้ก่อนหลังจากที่หมดกรรมแล้วก็พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่า จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และได้บรรลุเป็นพระปัญเจกับพระพุทธเจ้าต่อไปนี่คือเรื่องของบุญของบาปที่จิตทำอยู่แล้วต้องรับผลไม่ว่าจะทำบุญหรือจะทำบาปจะต้องรับผลของทั้งบุญและบาปไม่มีการลบล้างการสารภาพบาปนี้ไม่สามารถที่จะไปลบล้างบาปได้ แต่การสารภาพบาปเช่นของพระภิกษุนี้เป็นการทำเพื่อให้เกิดความละอายแก่ใจของตนเพราะจะต้องไปสารภาพต่อพระลูกอื่นว่าได้ทำบาปได้ทำผิดกฎข้อนั้นข้อนี้เพื่อที่จะได้ปร ะ, ประจานตัวเองแล้วจะได้มีความเข็ดลากเพื่อที่จะได้ไม่ทำต่อไป แต่ไม่ได้ไปลบล้างบาปที่ทำเอาไว้บาปที่ทำเอาไว้นี้ก็ต้องใช้ต่อไปจัญนญาติโยมถ้าทาบาปแล้วไปสารภาพอย่างนี้ก็จะทำให้ใจนั้นสบายขึ้นแต่ไม่สามารถไปลบล้างบาปที่ทำเอาไว้ได้แต่เมื่อสารภาพบาปแล้วก็จะทำให้ใจสบาย และจะทำให้ไม่กล้าที่จะทำต่อไปเพราะเห็นโทษว่าเวลาทำบาปแล้วมีความไม่สบายใจมีความทุกข์ใจนั่นเองดังนั้นทางโลกเขาเลยถือหลักว่าถ้าทำถ้าทาผิดกฎหมายแล้วยอมรับสารภาพก็จะลดหย่อนการลงโทษให้ไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าเป็น เป็นการกระทำที่ดีกว่าการที่ไม่ยอมรับผิดของตนถ้าไม่ยอมรับผิดใจก็ยังจะว่าวุ่นขุนมัวจะต้องคอยแก้ตัวอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของการมาวัดเพื่อที่มาดูแลรักษาใจของเรามากำจัดกิเลสตัณหา ที่เป็นเหมือนเชื้อโรคของใจความทุกข์นี่ก็เป็นเหมือนโรคของใจนี่ความเครียดความหวาดกลัวความวิตกกังวลความว้าเหวความเศร้าส้อยหงอยเหงาเหล่านี้เรียกว่าเป็นโรคของจิตคนที่เครียดมากๆนี่ก้าเราถึงเรียกว่าเป็นคนโรคจิตเพราะว่าไม่มีธรรมโอสถมาคอยรักษานั่นเอง ถ้าเรามีธรรมโอสฐ์คือมีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาคอยดูแลรักษาใจใจของเราจะไม่เครียดจะไม่ทุกกับอะไรไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไปก็ตามหรือว่าไม่ว่าสิ่งต่างๆเข้าของเงินทองลาภยศสลุเสริญหรือความสุขต่างๆที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะ เมื่อถึงเวลาที่เขาเสื่อมหมดไปใจของเราจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจถ้าเรามีธรรมโอสถก็คือมีทานมีศีลมีภาวนานี่เป็นยารักษาโรคใจที่พวกเราทุกคนมาวัดนี้มาทำกันมาสร้างกันขึ้นมาเช่นอนนี้เรามาทำบุญให้ทาน อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเอายาเข้ามาสู่ใจของเราแล้วเราก็รักษาศีลศีลหศีล8อย่างนี้ก็เป็นการเอายาเพิ่มพเพิ่มเข้าไปอีกชนิดหนึ่งหลังจากนั้นเราก็มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาพิจารณาธรรมะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นการเจริญปัญญาเพื่อเราจะได้รู้ธรรม แล้วก็ปล่อยวางไม่หลงไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงกับสิ่งที่ไม่ใช่ของเรากับสิ่งที่จะให้ความทุกข์กับเราถ้าเรามีปัญญาเราจะไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆแม้แต่ร่างกายของเราเราก็จะไม่ยึดติดร่างกายจะเป็นอะไรก็ต้องยอมรับความจริงยอมแล้วก็ปล่อยวางถ้าปล่อยวางแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายร่างกายแก่ก็ไม่ทุกข์ ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์ร่างกายตายก็ไม่ทุกข์และสิ่งต่างๆที่มีก็เช่นเดียวกันคนนั้นจะจากเราไปเราก็ไม่ทุกข์หรือว่าจะถูกสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่พึงปรารถนาก็ไม่ทุกข์เช่นเดียวกันเช่นถูกคนเขาตำหนิตีเตียนดูถูกเหยียดหยามอย่างนี้ก็จะ ว่ยวา่าเพราะรู้ว่าไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาได้ไม่สามารถไปห้ามเขาได้ไม่สามารถสั่งหรือห้ามให้รูปเสียงกลิ่นลดโภตาภะเป็นไปตามความต้องการของเร า, าฉะนั้นไม่ต้องการอะไรจะดีที่สุดรับได้ทั้งสองแบบจะชนก็ได้จะด่าก็ได้จะให้ความสุขก็ได้จะให้ความทุกข์ก็ได้เพราะว่า นี่เป็นเรื่องปกติของโลกเราอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างความดีและความชั่วระหว่างบุญกับบาประหว่างความสุขและความทุกข์เราต้องสัมผัสรับรู้มันไปแต่มันไม่สามารถที่จะมาทำลายจิตใจของเราได้เพราะจิตใจของเรานี้ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปไม่มีร่างนั่นเองทำลายไม่ได้ ทำลายได้ก็เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นซึ่งในที่สุดก็จะต้องตายไปอยู่ดีไม่ว่าจะถูกทําลายหรือไม่ถูกทําลายก็ตามแต่ใจนี้จะไม่มีใครสามารถทําลายได้แต่สามารถทําให้ทุกข์ได้ถ้าไม่มีธรรมะโอสถแต่ถ้ามีธรรมะโอสถถ้ามีทานมีศีลมีภาวนาแล้วรับรองได้ว่าใจจะไม่ทุกข์กับอะไรเลย เช่นใจของพ่ะพระเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายใจของท่านไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบกับจิตใจของท่านท่านอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะท่านมีธรรมะที่จะแยกใจให้ออกจากสิ่งต่างๆทั้งหลายให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆทั้งหลายเพราะเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเรา นี่คือหน้าที่ของพวกเราที่เรามาทำกันก็มาทำเพื่อจิตใจนี้ทำบุญให้ทานรักษาสิ่ภาวนาเพื่อให้จิตใจเรารู้ทันและปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเรามาสัมผัสรับรู้มาเกี่ยวข้องหรือมาคอบครองเป็นสมบัติต้องรู้ว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องจากเขาไปทั้งหมดเราเอาอะไรไปไม่ได้เลย นอกจากความทุกข์หรือความสุขเท่านั้นถ้าเรามีทานมีศีลมีภาวนาเราก็จะเอาความสุขไปถ้าเราไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาเราก็จะเอาความทุกข์ไปเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำกันเองไม่มีใครทำแทนเราได้ไม่มีใครทำบุญแทนกันได้รักษาศีลแทนกันได้ภาวนาแทนกันได้ต้องทำกันเอง เพราะเป็นอัตตาหิตอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนดังนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายหมั่นพยายามสร้างทานศีลภาวนาให้มีมากขึ้นในชีวิตจิตใจของเราเราต่อไปใจของเราจะอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนกรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแข็วแกรปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ